ผลแห่งการพิจารณาฐานะห้าประการภิกษุทั้งหลายหนึ่งอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งหนึ่งมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพเจริญทําให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 2. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้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 3. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือ ง, องมักย่อมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปสี่อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแท้จริงสตั้งปูงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัต ก็ล้วนจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพเจริญทําให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 5. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออาริสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเหนืองมักย่อมเกิดขึ้นอาริสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุส่ ย, ย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาย่อมเป็นไปตามธรรมพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียธรรมนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีธรรมอย่างนั้นข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นดำรงอยู่อย่างนี้รู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิกิเลสเห็นเนกขมะว่าเป็นธรรมเกษม ครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นแจ้งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเสกกรามจากประพฤติไม่ถอยหลังมุ่งประพฤติพรหมจรรย์ฐานสูตรที่เจ็จบ ลชวิคุมาระกะสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีกุมารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตาคารศาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยงกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตเสด็จกลับจากบินธบาต หลังจากสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นเจ้าลิชวีกุมาลหลายพระองค์ถือธนูที่ขึ้นสายมีฝูงสุนัขแวดล้อมเดินเที่ยวไปในป่ามหาวันได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจึงวางธนูที่ขึ้นสายไว้แล้วปล่อยฝูงสุนัขไป ณที่สมควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคสมัยนั้นเจ้าริชวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวันได้เห็นเจ้าลิชวีครูมารเหล่านั้นผู้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เปล่งอุทานว่าเจ้าวัชจีจากเจริญเจ้าวัชจีจากเจริ ญ, รญพระผู้มีพระภาคตรถามว่ามหานามะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจ้าวัชจีจากเจริญเจ้าวัชจีจากเจริญจเจ้จามหานามากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าลิชวีคูมานเหล่านี้ เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกระด้างของขวัญต่างๆคืออ้อยผู้สาขนมขนมต้มหรือขนมแดกงาที่เขาส่งไปในตรลทั้งหลายเจ้าลิชวีคูมารเหล่านี้ก็แย่งชิงเอาไปกินถีบหล้งคุลสตรีบ้างกุลและคูมารีบ้างแต่บัดนี้เจ้าลิชวีคูมารเหล่านี้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีทำห้าประการนี้ กุลบุตรนั้นพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยพวกกรัพั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับสักการะ เคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้าใจอันงามว่าขอเจ้าจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยสองกุลบุตรในโลกนี้สักกะเคารพนับถือบูชาบุตรพันยาทาตกรรมกรและคนใช้ด้วยพรทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเมือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรพัญญาธาตุกรรมกรและคนใช้ผู้ได้รับสักระเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันบุตร พัญญาทาตกรรมกรและคนใช้อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 3. กุลบุตรในโลกนี้สักระเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานด้วยโพกซั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเมื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเพื่อนจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย4 กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพลียกรรมด้วยพภกทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเมื่อตางน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเทวดาผู้รับพลียกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่า ขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังเ้ืยอความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 5. คกุลบุตรในโลกนี้จักระเคารพ บ, บูชาสมณพราหมณ์ด้วยโภกซั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเมือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม สมณะพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ําใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณะพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วพึงหวังด้วยความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยมหานามะกุลบุตรคนใดเป็นขัสตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ตาม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 ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือชนภายในและชนผู้อาศัยบุคคลนั้นอยู่คุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรรมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณพราหมณ์และเทวดาคุลบุตรนั้นครั้นบำเพ็ญกัลยาณธรรมแล้วเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรสรรเสริญ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ลิชวิกุมาระกะสูตรที่8จบ 9. ปฐมวุท ธ, ธปปัพชิตะสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรมหประการหาได้ยากธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ 1. เป็นผู้ละเอียดหาได้ยาก 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทหาได้ยาก 3. เป็นผู้หูสโสหาได้ยาก 4. เป็นธรรมกถึก หาได้ยากหเป็นวินัยทอนหาได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลหาได้ยากปฐมมวุท ธ, ธปปัจิตะสูตรที่เกจบ 10. ทุติยวุท ธ, ธปปัจิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สูตรที่สองพิสุทั้งหลาย ภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยทำห้าประการหาได้ยากทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ 1. เป็นผู้ว่าง่ายหาได้ยาก 2. เป็นผู้คงแก่เรียนหาได้ยาก 3. เป็นผู้รับคำพร่ำสอนโดยเคารพหาได้ยาก 4. เป็นธรรมกระถึกหาได้ยาก 5. เป็นวินัยทรหาได้ยาก ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลหาได้ยากทุติยวุฒะปปัจจิตะสูตรที่10บจบนีวรณะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรณ์นี้คือ 1. อาวารณะสูตร 2. อากาุศละราสิสูตร 3. ปธานิยังคสูตร 4. สมยะสูตร 5. มาตาปุตตะสูตร 6. อุปชายสูตร 7. จฐานะสูตร 8. ลิชวิกุมารกะสูตร 9. ปฐมมะวุทธปัปพัพพชิตะสูตร 10. ทุติยะวุทธปัปพัพพชิตะสูตร สัญญาวักหมวดว่าด้วยสัญญาหนึ่งปฐมมัส ญ, ญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาห้าประการอะไรบ้างคือ หอันนีจะสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนาตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. า ม, มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 4. อาหารเรปฏิกูละสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 5. สัพพโลเกอนัพิรติสัญญา กำหนดหมายความไม่น่าเพลอดเพลินในโลกทั้งปวงภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระธมมสัญญาสู่ที่หนึ่งจบ ทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อนอนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. โมรณสัญญา 4. อาหารเรปฏิคูลสัญญา 5. สัพพโลกเก อ, อนาภิรติสัญญาภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการ น, นี้แหลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสูตรที่สองจบ สมมตวัติสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุเจริญสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญหประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายทำเป็นเหตุเจริญหประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อ สองศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสสุตะการสะดับฟังหาความรู้สีจาคะการสีสละหปัญญาความรอบรู้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ5้าประการนี้แลชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระ และถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายอริยสาวกใดเจริญด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญาอริยสาวกนั้นเป็นสัตบุรุษมีปัญญาเห็นประจักษ์ชื่อว่าถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระสำหรับตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวปฐมวัตถสูตรที่สามจบ ทุติยวติสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุเจริญสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญ5ประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายทำเป็นเหตุเจริญ5ประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธา สศีลสสุตะสจาคะ 5. ปัญญาภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ5ประการนี้แหลชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายอริยสาวิกาใดเจริญด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะ จากะและปัญญาอริยสาวิกานั้นเป็นผู้มีศีลเป็นอุบาสกาชื่อว่าถือเอาสิ่งที่เป็นสาระสำหรับตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวทุติยวัติสูตรที่สจบ 5- าสากรชสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้สมควรที่เพื่อนรภมจารีทั้งหลายจะสนทนาด้วยธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1- ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและตอบปัญหาที่มาในเรื่องศีลสัมปทาได้ 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและตอบปัญหาที่มาในเรื่องสมาธิสัมปทาได้ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและตอบปัญหาที่มาในเรื่องปัญญาสัมปทาได้ 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุตติสัมปทาได้ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะ และต่อปัญหาที่มาในเรื่องวิมุตติยาณทัศนสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนีแหลเป็นผู้สมควรที่เพื่อนโรมจารีทั้งหลายจะสนทนาด้วยสากัจจสูที่5จบ สาชีวสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องศีละสัมปทาได้ 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องสมาธิสัมปทาได้ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องปัญญาสัมปทาได้ 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องวิมุตติสัมปทาได้ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะ และตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องวิมุตติญาณทัศนสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แหละเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสาชีวสูที่6จบ 7. จ็ดปฐมอิทธิปาทสูตรว่าด้วยอิธิบาทสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำา5ประการภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี ทำ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญ 1. อิธิบาที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร 2. อิทิธิบาที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. อิธิบาที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. ที่บาที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและประธานสังขาร 5. ความขมักขม้นภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้แลภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี พระธมะอิทิปาทสูตรที่7จบ 8. ทุติยะอิทิปาทสูตรว่าด้วยอิทิบาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายก่อนจะตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เจริญทำให้มากซึ่งทำา5ประการทำา5ประการอะไรบ้างคือเราได้เจริญ 1. อิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร 2. อิทิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. อิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขาร 4. อิธิบาที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและประธานสังขาร 5. ความขมักขม่นภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญทำให้มากซึ่งธรรมมีความขมักขม่นเป็นที่หานี้เราจึงได้น้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ ถ้าเรานั้นพึงหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเคอคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าเรานั้นพึงหวังว่าและถึงเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆทุติยะอิทิปาทสูตรที่แปดจบเก้านิพทาสูตร ว่าด้วยความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกาหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ สองกำหนดหมายความปฏิคูลในอาหาร 3. ามกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 5. เข้าไปตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในภิกษุทั้งหลายทำห้ประการ น, นี้แหลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนิพพทาสูตรที่เก้าจบ 10. อาสวะขยสูตรว่าด้วยธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะ ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทำ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ 2. กํกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 3. กํกำหนดความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 5. เข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แล่ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายอาสวะขยะสูตรที่10จบสัญญาวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1>, 1. ปฐมมัญญาสูตร 2. ทุติยสัญญาสูตร 3. ปฐมวัธิสูตร 4. ทุติยวัธิสูตร 5. าสากัชัสูตร 6. สาชีวสูตร 7. ปฐมอิทธิปาทสูตร 8. ทุติยอิทธิปาทสูตร 9. นิพิทาสูตร 10. อาสวะคยะสูตร 3. โยธาชีววัคหมวดว่าด้วยนักปรบอาชีพ 1. ปฐมเจโตวิมุติผลสูตรว่าด้วย ทำมีเจโตวิมุตเป็นผลสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุตเป็นพราณิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผลมีปัญญาวิมุตเป็นพรานิสงทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 มีเจโตวิมุตเป็นพรานิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผลมีปัญญาวิมุติเป็นพรานิสงเมื่อใดภิกษุมีเจโตวิมุติและปัญญาวิมุตเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้บ้างว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้บ้างว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียตขึ้นได้บ้างว่า เป็นผู้ถอดกรอนออกได้บ้างว่าเป็นผู้ไกลจากฆาศึกปลดทงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบเ้วยอวัตตะบ้างภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิมสลักขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชาได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิมสละขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ละชา่าสงสารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ละตันหาได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ละโอรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พิษุชื่อว่า เป็นผู้ถอดกรอนออกได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากฆาสศึกปลดทงลงได้ลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัสมิมาณะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลาจากข้าศึกปลดทงลงได้ลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะเป็นอย่างนี้แลพระถมมะเจโตวิมุติผ ล, ลสูตรที่หนึ่งจบ